จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละมเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้จักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่ร <els> fred, ักที่เจริญใจในโลก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 ย่อมละเสดยไดับเสด้ยในที่นี้รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโพธพาสัญญาธรรมสัญญาเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสดายดับเสด้ในที่นี้รูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโพธพสัญเจตนาธรรมสัญเจตนา เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสยได้ดับเสียได้ในที่นี้รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาผลถภาตัณหาธรรมะตัณหาเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในที่นี้รูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรสวิตกผลภาวิตก ธรรมวิตตบเมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสียได้ดับเสียได้ในทีน่นี้รูปรวิจารณ์สัทธาวิจารณคันธะวิจารณรถวิจารณ์กฏัพพาวิจารณ์ธรรมะวิจารณ์เมื่อบุคคลจะละเมื่อบุคคลจะดับตัณหาย่อมละเสดได้ดับเสียได้ในทีน่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะนิโรธอริยสัจ